สุดาอยู่ข้างบนทําไมหรอฉันจะไปรู้ได้อย่างไรฮะ อ, อยู่ข้างบนไม่ยอมลงมาข้างล่างเลยอาหารกลางวันก็ไม่ยอมลงมาทานเป็นอะไรหรือเปล่านะแล้วแกคิดว่าเป็นอะไรล่ะไม่รู้สิหรือว่าเป็นลมหรือว่าหัวใจวายตายไปแล้วแกนี่เลอะเทอะใหญ่แล้วนะนางแจ๋วเลอะเทอะอะไรกันครับป้ามันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ถ้าแกอยากรู้ก็ขึ้นไปดูเองสิจะมาพร่ำอะไรล่ะฮะ แจว่าไม่อยากยุ่งนะกหรอกถ้างั้นแกก็ไม่ต้องมาพร่ำนี่คนหายไปไหนหมดคะนั่นไงบอกแล้วอย่าไปพูดถึงพูดถึงปุ๊บก็โผล่มาปั๊บเลยตายยากจริงๆริงรีบไปเร็วเข้าดูสิเธออยากได้อะไรปาไปเองไม่ได้หรอเน่นางแจวฉันสั่งให้แกไปนะไม่ได้ให้แกมาย้อนสั่งฉันไปสิค่ะไปก็ได้ค่ะคุณจะเอาอะไรล่ะคะ หายหัวไปไหนมาะฉันเรียกทำไมไม่ขานรับฉันปล่อยให้ฉันตะเบงเสียงอยู่ได้หลันเนี้ยมัน น, น่านักเชียขอโทษค่ะยะ <Yeah. S 2> คุณอยากได้อะไรล่ะคะรู้ว่าหิวข้าวจะให้ตั้งสำรับตอนกลางวันนะ่ะตั้งสำรับแล้วแต่รอคุณนานคุณก็ไม่ยอมลงมาสักทีอิชันก็เลยเก็บสำรับนะคะถ้าจะทานกลางวันอิชันขอเวลาไปอุ่นกับข้าวก่อนนะคะฉันไม่กินกับข้าวที่อุ่นเป็นที่ทสองหย่า หล่อนไม่ต้องตกใจหรอกฉันลงมาไม่ได้อยากกินข้าวหรอกอยาะถ้างั้นแล้วคุณอยากได้อะไรล่ะคะขอน้ำส้มรั้นให้ฉันแก้วหนึ่งสิได้ค่ะเอาขึ้นไปส่งฉันในห้องนอนของยิ่งศักดิ์ด้วยล่ะว่าไงนะคะเมื่อกี้เนี้ยคุณพูดว่าอะไรนะคะหลานได้ยินไม่ผิดหรอกอยาะ รีบจัดการให้ฉันด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะคุณขาอะไรอะนองแจวคุณยิ่งอะไม่ได้อยู่บนห้องนอนนี่นาแล้วคุณเข้าไปในห้องนอนของคุณยิ่งทำไมล่ะคะอยู่เอ่อคือว่ารีบไปจัดการไม่ต้องถามแซกแกค่ะค่ะค่ะจะรีบจัดการให้ดี๋นี้ค่ะ บอกว่าคุณจันสุดาอยู่ในห้องนอนของคุณยิ่งเหรอนางแจว๋วค่ะอะไรกันเนี่ยฮนี่เขาไปวุ่นวายในห้องนอนคนอื่นได้ยังไงกันก็ไม่รู้สิแกไปคันน้ําส้มเดี๋ยวฉันจะยกขึ้นไปเองอุย้ยอะไรป้าจะขึ้นไปเองเหรอใช่มันจะดีเหรอป้าทำไมล่ะแล้วแกกลัวว่าฉันจะโดนคุณเธอตบหน้าฮะแหมจะไม่ให้กลัวได้ไงล่ะคะคุณเธอนั่นน่ะเคยไว้หน้าใครที่ไหนกันล่ะเอาเถอะ ฉันจะขึ้นไปเองแน่ใจนะคะแน่ใจสิไปรีบขั้นเข้ามาเร็วๆเข้าค่ะเดี๋ยวนี้เลยค่ะป้าอะไรของเขาเนี่ยเข้าไปยุ่งวุ่นวายในห้องนอนคุณยิ่งอีกแล้วเหรครั้งเนี้ยเข้าไปโดยที่เจ้าขอห้องไม่อยู่ซะด้วยอีกหน่อยคงจะทําอะไรไม่ต้องเกรงใจทําตัวเป็นเจ้าของบ้านแล้วโถเอธ่ สำคัญค่ะคุณอ้าวหล่อนเองเหรอทําไมไม่ให้นางแจ๋ยวยกขึ้นมาให้ฉันหล่อนยกขึ้นมาเองทําไมก็ไม่มีอะไรหรอกค่ะนางแจ๋ยพอดีมันปวดท้องจะเข้าห้องน้ํานะคะตายเข้าห้องน้ําท้องเสียหรือเปล่าแล้วน้ำส้มข้นแก้วเนี้มีเชื่อหรือเปล่านางแจ๋ยน่าไม่ได้ท้องเสียสักหน่อ ย, อยแล้วไปแล้วจะดื่มเลยหรือเปล่าล่ะคะส่งมาดิฉันจะดื่มเดี๋ยวนี้แหละ นี่ค่ะคุณหวานเย็นชื่นใจจริงๆคุณคุณค ะ, ค, ณะคุณเปิดเพลงดัามขนาดนี้ทำไมคะฉันไม่เห็นหรือไงฉันกลังเต้นแอโรบิกอยู่นะแต่นี่มันห้องนองของพิยิ่ง น, นะคะคุณยงไงห้องยิ่งฉันก็มาไม่ได้หรือไงฮะได้นะได้แล้วค่ะ แต่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของห้องซะก่อนสิค่ะคุณฉันเป็นพันยาเจ้าของบ้านฉันจะเข้าห้องไหนออกห้องไหนฉันจะต้องไปขออนุญาตใครอีกล่ะก็คือว่านี่ไปๆปไปไปเลยจะไปไหนก็ไปทางหูขวางตาจริงๆเลยหล่อนเนี่ยแต่ว่าคุณคะฉันบอกให้ออกไปไงฝังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือไงเออคือว่าตกลงกจะออกไปดีๆหรือว่าใช่ฉันน่ะใช้กําลังกับหล่อนฮะโอนี่คุณเอ๋อก็ใช้กําลัง ท่าน็นคนตำรวจเอกชัยที่ชิดนรงน์ดนะคะไม่ใช่สระมสักหน่อยเอนจะออกไปไหมฮะก็ได้ค่ะออกไปก็ได้ค่ะหนึงงวยจะไม่ยอมออกเดี๋ยวได้เจอดีแน่เด็กแก่<ะ>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 ฉันโชคดีเท่าไรที่ยังหายใจอยู่มาถึงจนวันนี้กอคนดีพร้อมมันใจวาดไวแต่สุดท้ายก็พบเธอ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 ดีพร้อมมันใจวาดไวและสุดท้ายก็พรเธอเธอนที่เป็นครงหนึ่งของชีวิตที่ขาดได้จแล้วไม่อาจจะเปลี่ยนใจเหมือนได้รับคววงจากงมาหัวใจ ยอมเสียงเพียงได้เจอรักเธอฉันแนบนาวเท่าไรไม่กลัวจะเปียงฝนเท่าไรก็ยอมฉันหวังแค่ให้มีคนที่ฉันรักยืนคอยตรงนั้นก็ชื่นใจอยากมีรัก จริงๆซักทีไม่ว่ารว่าดีฉันพร้อมรด้วยใจพรวหมดทั้งตัวและใจฉันให้เธอคำี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 ส่ง ความงามตามใครไม่ใช่เธออมองความเป็นเธอที่สอไวันใเธอสวยงามันทนยิ่งรักเธอตรงที่เธอเป็นเธออย่างที่ฉันเห็น ม อ, องเห็นได้อยู่เสมอเพราะเธอสวยงามที่ใจแรับฉันมันคือความอัศจรรย์มองเห็นได้ใจและรับรู้ได้ตาาของวล้ำค่ายิ่งใหญ่มองเห็นได้อยู่เสมอ เธอสวยงามทีใจและสมรมันคือความอัศจรรย์เหือ Oh สรับฉันมันคือความอัศจรรย์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 ทำไมเหรอป้าไม่รู้อยากนินทาเจ้านายแล้วแต่แหมการนินทาเจ้านายเนี่ยมันเป็นงานอดิเรกของพวกเรานะคะป้าของแกคนเดียวเหอะฉันไม่เคยนินทาเจ้านายค่ะแจวคนเดียวก็ได้ค่ะถ้าคุณยิ่งกลับมาจะว่าไงเนี่ยฮะอา้าวก็ไหนบอกว่าจะไม่นินทาเจ้านายไงฉันไม่ได้นินทาแต่เป็นห่วงความปลอดภัยของคุณยิ่งมากกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคุณยิ่ง หมายความว่าไงคะป้าก็หมายความว่าพวกเรามาแล้วจ้าป้าว้คุณยิ่งกลับมาแล้วป้าทำไมต้องทาท่าตกใจขนาดนี้ด้วยล่ะฮะเอก็คือว่าว่าไงป้าไ ม, ไม่มีอะไรหรอกค่ะเอ่อคุณยิ่งมานั่งในห้องนี้ก่อนนะคะมาค่ะมามาเอีเดี๋ยวเดี๋ดป้าจึงมือผงกมาในห้องนั้นเล่นทำไมเอาเถค่ะห้องเนี้ปลอดภัยที่สุดแล้วล่ะค่ะปลอดภยัยเอ๊ะ มันยงกันแน่ป้าฮะก็ไม่ม <c oughs> ี อ, อะไรแล้วค่ะแก้ว <c oughs> ขาป้าคันน้ําส้มให้คุณยิ่งทีสิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขาเออป้าผมไม่ได้ดื่มน้ําส้มคั้นนะเออจริงด้วยสิ <c oughs> ป้าก็ลืมซะสนิทใจเลยอ่ะป้าใจลอยจังมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยมีค่ะคุณยิ่งป้ากลัวว่าคุณยิ่งจะไม่ปลอดภัยค่ะไม่ปลอดภัยอะไรฮะก็คือว่านางแก้ว แก่หูปากไปเลยนะไม่ต้องพูดไปรินน้ําเย็นให้คุณยิ่งเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหรอกผมไม่กระหายน้ำเลยแต่ผมขอตัวหน่อยนะมันเหนียวตัวหยาบนะท่านสบายใจสหนะ่อยเดแต่ว่าคุณยิ่งคะอะไรหรืป้าหยาอยาหยาอะไรฮะเออคื อ, อว่าเดี๋ยวลงมาแล้วกัน อ, อ, อะไร น, นึกแล้วทำไงดีอ่ะคุณเธออยู่ในห้องนอนของคุณยิ่งด้วยนะเอานะคุณยิ่งเขาคงรู้เองแหละ ว่าจะต้องหลบคุณเธ อ, อยังไงดีอยังคุณยิ่งเหรอจะไปทันเล่เหลี่ยมคุณเธอได้ไงถ อ, อยเสร็จ ทำไมนห้องนอนผมเนี่ยฮะนี่ยิ่งกำลังเต้นมันเลยไม่ทําไมละ่ะนี่มาห้องนอนผมคุณอยากเต้นก็เต้ที่อื่นซิไม่ใช่ที่นี่แหมทำไมต้องอารมณ์เสียด้วยล่ะคะกุณออกไปจากห้องผมได้แล้วนี่รูปใครเนี่ยเดีย๋ ย, ยุ่งนี่คือกรอบรูปให้ผมไม่เธอบอกฉันไว้ก่อนสิไม่รู้เป็นใครแฟนเธอเหรอใช่แล้วไงอ่ะแฟนเหรอใช่สินี่เธอมีแฟนแล้วเหรอยิ่งแล้วทำไมผมจะมีแฟนไม่ได้ล่ะเธอนี่ยิงอนเอเซ่นมากมาก แล้วเธอจะไปทันแม่นี่ได้ยังไงนี่จะรู้ถูกเธอนะต้องมาแต่ต้องไม่ได้หรือไงคลอนอกมาเดี๋ยวนี้นะไม่เก่งจริงค็ไม่มาแย่งสิเนื้อผมไม่กล้าแย่งหรือไงเอามานี่เอามาเลยเอามาไม่ให้ม่ให้ไม่ให้เอามานี่นี่แน่คว่างทิ้งเลยนี่นี่นนนนคุณกูณทำอยนี้ได้ไงเนี่ยทำไมจะไม่ได้อย่ายริอ่านมีใครเด็ดขาด เธอต้องเป็นงฉันคนเดียวนะยิ่งสัตว์หลีไปนะเมื่อกดอผมว่าทำไมปล่อยพอมปล่อยไม่ปล่อยอ่ะแล้วก็จะกระชากเสื้อผ้าด้วยขาดวินเลยเฮ้ยเฮ้ยกูทำอะไรอ่ะก็จะตัเธอเัวยห้ลยล่ะหลีไปนะไม่ไม่ไม่อยิามาด่านะจะกอดทำไมอย่างนี้แหละจะกอดจะกอดเหจะกอดติตต้องคลักยิ่งถลักก็ยิ่งรัดแน่นขึ้น นี S 2> <S 2> ่นี่แการนจะนะาหอมหอมหดนหรือเปล่าหอมเหรอะอ่ไ่ไน่ไ่ไ่ไน่ไอ่ไอ่ไอ่ไอ่ไอ่่ไอ่ไอ่ไอ่ไน่อ่ไอ่ไอ่ไอ่ไอ่อ่ไอ่ไอ่ไอ่ไอ่ไอ่อคไอ่อ่ไอไอ่ไอ่ไอ่ไอี่ไอไอ่อ่ไ่ไอออ่